50 languages. 87 g h t y s e v e n Yambatta yelo. Adhikar of k a r i y a c h u a Sahayaka kriya pada gada bhuta kala w u n d u t t h o น้าวูกริดากริเกนีรูฮักกะเบ k a g i t จตเราต้องทำความสะอาดอพาร์ทเมนต์นาวูมันเนยนูชุชิโกลิสเบก้ากิจตเราต้องล้างจานนาวูภาตร์เกรันนูตระเลยเบ k a g i ตคุณต้องจ่ายบินด้วยหรือเปล่า นิวบิลพาวติสเบคากิเต้คุณต้องจ่ายค่าผ่านประตูด้วยหรือเปล่านิวพรเวชชุลกวรรณโนคดะเบคากิเต้คุณต้องจ่ายค่าปรับด้วยหรือเปล่านิวดันดวนนรรณโเทรบคาตใครต้องการลาจากกันยรูวเฮบคากิตุ ใครต้องการกลับบ้านก่อนยารู้มันะไรเก๋เบกะฮกับเบกากิตตุใครต้องนั่งรถไฟยารู้ไรลิเก๋ฮกัเบกกิตุเราไม่อยากอยู่นานนามะเก๋เหตุชฮกตุอิรลูอิชตาวิรลิลลาเราไม่อยากดื่มอะไร น้ำเก๋ยนันนุคูเดียลูอิสต์วิรลลิลลาเราไม่อยากรบกวนคุณน้ำเก๋ตนเดาร์เกดัลูอิสต์วิรลลิลลาตอนนั้นดิฉันแค่อยากใช้โทรศัพท์ น, น้าหนูฟนมาดัลูเบยสิดเดดดิฉันแค่ต้องการเรียกแท็กซี่ นานูแท็กซี่นุเครื่ลูบยสิเดที่จริงดิฉันแค่อยากขับรถกลับบ้านนี่จ้าเฮด้าเบกินเดเรน้าหนูมานึกย์โฮก้เบกินดิดเดดิฉันคิดว่าคุณอยากโทร ถ, ถึงภรรยาของคุณนีนูนินน่าเห็นด้ติเกฟอนมาดลูบายสิเดยนดูน้านูอันุคนเด ดิฉันคิดว่าคุณอยากโทรสอบถามข้อมูลนีนูวิจาเรณ e เงี้ยโฟนมาดัลูบายสิดเดเยนดู น, น้าหนูอันดนเดดิฉันคิดว่าคุณอยากสั่งพิซซ่านีนู i ุ่นดูพิซซ่าเบกินดูเคเรลิดดี้เยนดู น, น้าหนูอลัล